โมฆบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะนั้นเธอจึงใช้มือพยายามทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนเล่าเราแสดงทําโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความพลากไม่ใช่เพื่อความประกอบไวเพื่อความไม่ถือมั่น ไม่ใช่เพื่อความถือมั่นไม่ใช่หรือเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดเราแสดงธรรมเพื่อความพลาดเธอก็ยังคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อความถือมั่นโมฆะบุรุษเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสัมรอกราคะเพื่อสางความเมาเพื่อดับความกระหาย เพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัตฏะเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานไม่ใช่หรือโมฆะบุรุษเราบอกการละกามการกำหนดรู้ความสำคัญในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความขัดกุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆไม่ใช่หรือการกระทาอย่างนี้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 ตรัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายทรงแสดงธรรมมีกถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นและจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้